เรื่องความทุกข์ของโลกความเสื่อมของศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขนาน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมกูของเทวดาและมนุษย์ดังหลายไม่ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบข้อมหนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคล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 ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาอุตริพูดเอาเองเพราะพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้อย่างในเจตุกตันในบาตอังคุตรในกายมีละทฐานชาัดเจนในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบนหนึ่งร้อยเกาสิบเจ็ดความสุขของโลกเมื่อมีความสุขก็จะมีความทุกข์ ท่นกล่าวไว้ว่าสุขโตว่าพิกเวลโลเกติธรรมโนสุขตะวินยโยติทัสสะปังโชนกิตายะปะงชฉนกสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษยานางเดยก่อนพิสดังร้ายเมื่อใดประสุขก็ดีพัฒรมวิในของสุขก็พิจิต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 เฉ <c oughs> ยฟังให้ดีนะที่พรทธิดาท่านตรัสไว้อย่างนี้ด้วยเหตุ น, นี้เองท่านจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าจาระถะภิกขเวจริกังพระโหชนะฮิตายะพระโหชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสซ่านังอธิการลยานังวะมัตเชกันลายานังประโยชน์สาธารณะการลายานั ง, ส, นะนาานงสะทั่งสปยัญชนะเกวละปริปุนังภิกษุทั้งพรหมจริยังประกาเศเสถะ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 เทคนิคและวิชาการทางอัตถะเพือยินชนะเรื่อง น, นี้เองมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี่ความสุขและความทุกข์ของโลกแต่เราทุกวันนี้ฝาถนะความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่เสร็จแล้วเราก็กำลังหันหลังให้แก่เครื่องมือที่จะนาความสุขมาให้กำลังวิ่งว่อนเต้นวิ่งเต้นกันดินร่นยื้อแย่งสแสวงหา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 กับสิ่งที่จะนํามาซึ่งความทุกข์วัตถุทั้งหลายเทคโนโลยีทั้งหลายให้ความโชคความสะดวกสบายทางกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถอํานวยความสชคความสงบร่มเยน็นแก่จิตใจของใครได้ยิ่งป่าเถาะเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกได้มัเท่าไหร่มันก็ยิงไม่เพียงพอด้วยเหตุ น, นี้เองบ้านเมืองเราทุกวันนี้จึงมีทุกข์มากประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก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 ก็แปลว่าความเป็นอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองคาว่าสยามก็มาจากคำว่าสยังเหมือนกันออกเสียงเป็นภาษาสัสกฤตว่าสยามสยามพูคาว่าสยังนั้นแปลว่าเองเองเองเป็นเองเป็นอยู่เองพึ่งตนเองรู้เองอย่างสยังอภินญยยะรู้ยิ่งด้วยตนเอง คำว่าสยามนั้นถ้าพอสะกดเป็นภาษาสันสกติตมันจะออกเป็นสยามสยามแล้วต่อมามันก็มาเป็นสยามแปลว่าเป็นอยู่เองพึ่งตัวเองอิสระภาพเช่นคําว่าสยามสยามวสีมีอํานาจในตนปกครองตนพึ่งตนเองที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมีความล้ําลึกถึงความเป็นตัวของตนเอง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 เหมาะแก่บุคคลที่มีอุปนิสัยใจขอเช่นนี้บันทับหรุษของเราจึงได้นับถือมารักษามาจนถึงพวกเรายุคปัจจุบันแต่บันนี้ลูกหลานของพวกสยามวสีลูกหลานของชาวสยามลูกหลานของชาวไทยเสรีนี่กําลังกําลังจะก้มหัวอาละวาดบอกก้มาากหัวเทิดทูนบูชาสิ่งที่นอกเดือไปจากตนเองเครื่องมือ ของพยามารของซาตานคือวัตถุขเขาอาเงินเอาทองเอาอะไรมาให้มันก็ล้ไหลทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปตามโจรกันตัเห็นนี้เองเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมทรามลงเมื่อนั้นความทุกข์ของโลกก็จะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่ยี่สิบสามธันวาคมปีที่แล้วมาผ่านมาสองสมวันสอง4ันห้าร้อยสามสิบสี่บอกว่าคนไทย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 ทุกยากลําบากไม่สนใจปล่อยพ่อแม่เท่าๆแก่ๆอยู่บ้านงกๆเงนๆินเินวันดีคืนดีกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนลูกเศรษฐีมาอวดกันมาอ้างกันมาโฆษณากันว่ากรุงเทพดีอย่างโน้นอย่างนี่ไม่เคยพูดว่าทุกอย่างโน้นทุกอย่างนี้นายจ้างเขาเอาเปรียบอย่างโน้นอย่างนี่เขาใช้หัวถล้ํำตําลิ่มไปอย่างโน้นไม่พูดมาหลอกลวงเพื่อนก่อนจะกลับมาก็ยืมเงินล่วงหน้าเบิกเงินเดือนล้วงหน้าซะสองเดือนเงินเดือนถูกๆขเขาให้เป็นการโขใจ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 มันน่าจะเป็นจีนมันน่าจะเป็นอินเดียมันน่าจะเป็นประเทศฝรั่งมั่งค่าที่จะผูกคอตายค่าตัวตายมากอันดับสองสามสห้าประเทศไทยไม่น่าจะมีอันดับกับเขาแต่เสร็จแล้วประเทศไทยกับแฟงหน้าขึ้นอันดับสองปีหน้าคงจะเป็นอันดับหนึ่งผู้เท่าผู้แกข้าพ่อข้า ว, าวแม่ค่าตัวตายสี่สิบหกเปอร์เซนมากกว่าคนรุ่นใดๆทั้งสิ้น ลองลงมาก็รุ่นกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างขอบสร้างครัวดิ้นรนยื้อย่างสแสวงหาลดลระดับลงมาก็วัยหนุ่มวัยสาววัยวานวัยชื่นผิดหวังชอกชําระกรรมขมคืนเพราะความรักไม่สามารถจับยั้ใจตามอํานาจแห่งสิ่งแห่งธรรมวิ่งตามอํานาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ดังใจขาดตัวตายภูคอตายกินยาตายลดลงมาเอกเกาะเด็กนักเรียน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 อนุบาลก็สอบแข่งกันจะเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆจะเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยสอบแข่งกันลูกไปสอบพ่อแม่กําลังจะมันชอ็อกตายรอฟังคําตัดสินว่าลูกสอบได้หรือสอบตกพอลูกสอบตกพ่อแม่จะเป็นลมตายซะก่อนอย่างนี้ชีวิตเกิดมาเพื่อจะแข่งขันเท่านั้นกันโดยไม่เข้าใจความเป็นไปได้ศักยภาพของตนเองตามวิวัฒนาการอะไรต่างๆอีเลดมันมีอํานาจที่สุดเลย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 มันก็สวนสวนทางกันกันกบที่พระพุทธเจ้าเราพูดว่าความสุขของโลกก็ดีประโยชน์เกื้อกูลแกมนุษย์แก่แกเทวดานั้นเกิดมาจากธรรมวินยัยแต่ผู้ที่รักษาธรรมวินยัยประพฤติทธรรมวินยัยที่เก็บเผยแพร่ประธรรมวินยัยซืบทอบประธรรมวินยันยคือตัวศาสนากับค่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาสีเท่าเป็นอะไรกันนะกันนานี่แหละคือความเสื่อมลงของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนา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 ศึกออกมาแต่ไม่มีทางคิดว่าศึกมาแล้วจะไปตำมาหากินอะไรนอกจากเป็นกูลีก็เพิ่มดีกรีความปาฏถนามากขึ้นดิ้นรนสู่ถนนสงถนนสังคมสายใหมโดยการศึกษาทางธรรมปนทางโลกเอาทางโลกมากๆทํา ก, ากทำทพอเป็นกระสายหาเงินหาทองไม่ทนันพ่อแม่สรงมาไม่ทันยมทำบุญไม่ทันก็กลุ้มใจหูอหขอตายเฮรี่พวกที่ประพฤติปฏิบัติธรรม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 อยากจะเป็นอย่างนั้นไวๆมันไม่ได้เป็นดังใจครับยิ่งทําไปจิตก็ยิ่งไม่สงบปาธนา่สงบยิ่งไม่สงบน้อยใจไปผอมบโลกไปนิพพานโผคอตายไปหลังเยนั้นพระรุ่นการคนมีคนเคารพนับถือเป็นพระเทสะบ้างก็แข่งขันกันสร้างสรรสร้งบุญญาบา ร, รมีตนเองว่าผลงานของความเป็นสมณะนั้นของเราก็คือเป็นผู้มีวัดว่าอาลามใหญ่ๆโตๆไปไหนมีคนรู้จักขี่รถเก๋งคันดีๆงา ม, งาม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 ก็มีอาการมิจฉาอาชีวะลี้นฉชีพโดยทางที่ผิดรถน้ำมนพ่นน้ำมันสกัด ม, มอเใสก บ, บานตัดกรรมตัดเว้นสะดอกคล้อเอาทุกอย่างก็ให้ได้มาซึ่งนั้นก็ทำลายศาสนาของตอนเองไปเรื่อยส่วนพระผู้เฒ่าผู้แก่บวชมายามเฒ่ายามแก่หมดหวังในทางสังคมเป็นผู้ด้อยในทางสังคมมือก็มีความปราชนาลามกูนั่นเองน้อยองค์น้อยใจว่าเราเนี่ยไม่มีคนเคารพนักถืออะไรต่างๆเรเป็นไปได้ทั้งนั้น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 ด้วยอำนาจแห่งพุทธศาสนาความเป็นไทยความเป็นสยามความเป็นอิสระเสรีเนื้อจิตใจตนเองอยู่กับความถูกต้องดีงามทางสิ้นทางธรรมรักษาคุ้มครองมาถึงเราแต่ทุกวันนี้เอกลักรรอดมาได้อย่างหน้าภูมิพักแต่เอกลักษณ์กับสู์สิ้นหายไปน้อยลองน้อยลองมันผิดกันอย่างประเทศลาวเอกกรรหมดขึ้นศูญไปเอกลักษณ์เหลือไว้เป็นช้างสามหัว เห็นหลวงทองเห็นอะไรต่ออะไรและนี้ทางสามหัวก็หมดไปแต่ประเทศไทยเอก ร, ราชรอดพ้นมาได้อย่างน่าภูมิภาคเอกลักษณ์ศูนย์สิ้นหายไปความเป็นไทยที่เคยอ่อนน้อมท่อมตนความเป็นไทยที่เคยประหยัดเคยเมตตาปานีอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องโน่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันนักหนาอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดแห่งศิลธรรม บาดนี้ได้เหือดแห้งเอ้ยหายความเพ็นแกะเนื้อแก่ตัวจิตต่าใจสามือไข่ยาวสาวด่ายาวเอาเอ า, เอารัดเอาเปรียบกดขี่คมเพ่งเมื่อขึ้นจนไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครนี่ลักษณะเช่นนี้คือความเสื่อมของพุทธศาสนาอย่าได้หลงพาภูมิดีใจที่นี่พุทธศาสนาของเราเนี่ยมันเสื่อมไปได้อย่างไรเราจะต้องมองไปที่ประเทศอินเดียอินเดียนั้นแหละจะเป็นบทรเรียนที่มีค่าที่สุดสําหรับเรา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 แถบกรีซานของรัสเซียมีบางส่วนของรัสเซียแล้วก็ยังข้ามไปถึงนูน่นถึงทางยุโรปทางกรีซพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์เป็นชาวกรีกน้ำเผื่อพุทธศาสนาจะว่าไปแล้วพุทธศาสนามีคนนับเถือมากอันดับหนึ่งแต่จะแล้วประเทศพุทธศาสนาก็โค่นล้มไปหมดไปสิ้นไปด้วยอํานาจทางการเมืองด้วยอํานาจทางวัตถุนิยมเนี่ยหมดไปหมดไปก็มาแน่นเปะอยู่ในประเทศไทย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 สี่คือกฎของธรรมชาติและการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขส่วนการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือวิธีทางปฏิบัติเพื่อดับทุกนั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็พึงสรุปได้เลยว่าพุทธศาสนาได้ซึ่งสามลงมากในประเทศไทยเนี่ย ب, เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมองไปดูที่ประเทศเอินเดีย ทำไมประเทศอินเดียจึงหมดพุทธศาสนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายมีความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ประเทศอินเดียจะหมดพุทธศาสนาไปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดีย น, น, น, นักปราชญ์ยุคปัจจุบันหลายท่านเช่นดร์วีเอสมดอร์เอสราทักริชซึ่งเป็นชาวแกนัล้วแหละยูนประเทศพุทธศาสนาแต่โบราณ น, นั่นเองแต่ทีนี้เขาก็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 แต่ก่อนก็มหายานโด่งดังมีอิทธิพลมากมาจากประเทศขมิ้เราจะเห็นได้ศาสตา์สรคพังพระธานนาลายเจงเวงพระธาตภูเภะอะไรต่างๆพระธาตเชิงชุ่มเหล่านี้นูวนแต่เป็นศิลปะของมหายานได้มามีอํานาจอยู่ตรงนี้นับถือศาสนามหายานคือทางตอนเหนือทางจีนทางเรือองเรือมานําพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมหายาณ น, นี่ไม่ได้เน้นไปที่การปฏิบัติศ้นสมาธิปัญญาอะไรมากนะัก แต่นีนไปีนการปฏิบัติเอียงไปทางศาสนาฮินดูเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีคาถาอาคมมีของดีส่วนมากจะมีมนมีกนมีคมาถาเราจะเห็นได้ว่านังสือผูกนังสือกอหนังสือใบลานสมัยโบราณเขียนไว้ในวัดว่าอารามต่างๆโอ้มหามนก้าวโกดมีหมดตวานทิมาพานสถานโลกันนาลายตึงใจจากนาลายเื่ดสมุดอะไรต่างๆคาถาอาคม เอามาส่วนมาปลูกมาเสกปลูกเสกเหล็กกันมีเครื่องรางของขลังหนังทั้งในศิยศาสตร์แข่งแข่งขึ้นขึ้นักกรรมมอเส ก, มมสกบาลรถน้ํามนต์พ่นน้ามันทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มาจากาศาสนาฮินดูซึ่งมหายานได้นําเข้ามาพนัวกันเข้าเพื่อจะให้มาหาชนมีศรัทธาในขณะเดียวกันเมื่อศรัทธาเจริญขึ้นแต่ปัญญาก็ดับลงมอดหลงหมอดลงมันเป็นเช่นนี้ชาวพุทธก็เลยค่อยๆกลายเป็นชาวฮินดูเป็นพราหมณ์ไปทีละนิดทีละนิด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 เป็นเป็นพระเจ้าลอยตัวอยู่ยืนลงอยู่ในโลกในสุริยะจั ก, กรวาลเวลาใดบ้านเมืองเกิดยุคเขมนมนุษย์ไป ม, มีที่พึ่งนาฬาิก็จะอาวาตารตอมแปลงร่างลงมามาช่วยมนุษย์ตั้งแต่ปางที่หนึ่งปางที่สองปางที่สามมาจนถึงพระพุทธเจ้าเขาก็อมพระพุทธเจ้าวนาฬิกอวาตารเหมือนกันเรียกว่าพุทธาวตารบุตดาอินคเนชันพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นอาวาตารคือเป็นปางหนึ่งของพระนาฬิกที่ รงมาในในานามของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นในโลกเบื้องหลังพระพุทธเจ้าคือพระนาลายที่มามาสิงมาเข้าท่องพวดง่ายๆภาษาสมัยนี้เพราะฉะนั้นพวกใดที่ถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก่อให้เข้าใจเถอะว่านั่นคือเชื่อฟังต่อพระนาลายเป็นศาสนาของศาสนาฮินดูผู้บูชาอย่างสูงสุดอยู่แล้วพูดไม่จําเป็นต้องเป็นฮินดูเพราะเป็นอยู่ในตัวแล้ว ฮินดูไม่จําเป็นต้องไปเป็นพุทธเพราะเป็นอยู่ในตัวก่อนนั่นเองห็นไหมอมอย่างเนบเนียนที่สุดเลยในความจริงหาเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นการโกงพุทธศาสนาอย่างแนบเนียนและการโจมตีทางกุศโลบายอย่างกล้าหาญซึ่งเป็นการตัดรากฐานของพระพุทธศาสนาลงทีเดียวการที่พวกพราม์บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์บูชายันพวกพรามก็มีการฆ่าสัตว์บูชายันตั้งแต่ อัศเมธะปุริสเมธะข่ามา้ า, า, บ, า, มม า, า, าบูชาขา่าคนบูชาสัพเมธะสมมาปาสะข่าคนบูชาข่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างบูชามหายันที่ยิ่งใหญ่มหายันหลอดบ่วงโอ้ยสารพัดอย่างพอพระพุทธเจ้าเกิดมาท่านก็นมาสอนว่าอัศเมธะปุริสเมธะไม่ใช่ข่าคนไม่ใช่ ข, าาขา่าม้าข่าวสัพเมธะนั้นท่านก็เปลี่ยนเป็นสัตตะเมธะ พระราชาผู้ปกครองจะต้องมีอันคือรู้จักแผ่นดินของตนเองตรงไหนอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์จะบำรุงรักษาอย่างไรอย่างพระเจ้าอยู่หัวของเรามาสกล น, นครมาบำรุงแผ่นดินของพระองค์ตรงไหนมันแห้งแล้งต่างเขื่อนอา่อานองคูคล อ, องขึ้นมานั่นแหละเล ย, เยว่าอัศเมธะฉลาดในการบำรุงแผ่นดินเพื่อพันธัญญหาปุริอัเมธะฉลาดในการบำรุงบุคคลปู้ทําคุณงามความดีทรงเสริมสนับสนุนให้โหลให้เกียรติให้เงิ น, ด, งนดําเงินเดือนให้ดีมันงามมันจะได้ทําดีมากๆขึ้น มันเปลี่ยนแนวกันกระพามพรามก็บว่าสัพเมทะข่ามาบูชาผริสเมทะข่าคนบูชาสัพเมทะขา่าทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่ๆพระพุทธเจ้าท่านก็เปลี่ยนไหมเสียสัพเมทะผู้ครัดร้อยรวงจิตใจของกันด้วยศีลด้วยธรรมในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมส ม, มาปาสะเรียกว่าเป็นริ่มสลักใจเป็นมหายันสลักใจ เป็นบ่วงถูกไก่ปลาสะแปบลบว่าบ่วงด้วยอํานาจสิ้นธรรมให้บ้านเมืองนอนตาหลับได้โดยไม่ต้องปิดประตูโดยไม่ต้องลงก้อนเพราะว่าธรรมะเป็นก้อนแล้วสิ้นธรรมเป็นประตูปิดไ ว, ว้แล้วแม่คนทําชั่วไม่มีใครลักของใครที่มันเปลี่ยนแปลงกันอย่างนี้พุทธศาสนาพงาดมาก็ดับรัศมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่พอศาสนาพูทธค่อยเสื่อมลงหน่อยประชาชนไม่ค่อยเข้าใจศาสนาฮินดูก็ลุกล้ํากลับเขินมาคำซ้อนเก่าๆที่บอกว่า พระพุทธเจ้ามาสอนให้เลิกขา่าสัตว์บูชาข้าคนบูชาพวกผามเขาก็ยอมรับมันเป็นการดีการยอมรับของพวกผามนี้เองก็ทําให้ผามั้กลายมาเป็นกลายเป็นพุทธพุทธกลายเป็นผามมากขึ้นการที่พวกผามบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์บูชายันการลดจนความเข้มงวดในเรื่องการถือชั้นวันลนะซึ่งพุทธศาสนาได้สอนผามมากการแบ่งชั้นวันณนะวนนะันละชัชจาวสโลโหตินะชัชจาโหติกามนโน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 เนื่องจากอิทธิพลคําสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้นแล้วก็มีนักบวชชั้นหัวกะทิมันสมองชั้นแบบเลิศเลยคือสังฆราจารย์นักบวชในาศาสนาพราหมณ์เป็นผู้นําสําคัญของาศ า, าสน า, าพร า, า, าหมณ์ศาสนาฮินดูเขาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเรียนอัลลัคําสอนในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพระทรงในทางพุทธศาสนาไม่เข้าใจาศาสนาของตนเองเห็นว่าคนเขาลบูชาและผูอย่างไงเขาก็เชื่ อ, อยากจะได้อะไรก็พูด ให้โยมมาทานมาทําบุญ <c oughs> มาสนับสนุนมากมากแต่ไม่ได้สอนลึกลงไปถึงเรื่องเซนสมาธิปัญญาภาวนาให้หลุดให้พ้นจากความทุกข์ทางจิตทางใจแก้ปัญหาจิตใจครอบครัวสังคอมยังไงแลนะที่นักบวชของพุทธศาสนาในอินเดียไม่ค่ยสนใจที่จะเผยแผ่พุทธธรรมสู่สังคมไม่ค่อยนําหลักธรรมของพุทธธรรมนีเข้าไปสู่จิตใจประชาชนให้นำไปประพฤติธปฏิบัติในวิธีทางของการดําเนินชีวิต การเกี่ยวข้องกับสังคมก็เพียงเพื่อจะเอาจากสังคมอย่างเดียวเท่านั้นในที่สุดนักบวชต่างศาสนาสังกอายาการเข้ามาบวชมาศึกษาแล้วก็สอนพุทธศาสนายัดใส่เอาคําสอนของศาสนาฮินดูที่ใส่เข้าไปคนทั้งหลายก็บางทีเกอาการสับสนมาจนต้องไปมีความรู้ถึงแล้วเพราะความรู้ในทางพุทธศาสนาทูโผขาดไว้กับนักบวชเท่านั้นแต่ในฮินดูนั้นเขามีทั้งนักบวชทั้งฆราวาศึกงรา ศาสนาของเขาไว้อย่างมันง่นคงถ้านักบวชหมดไปชาวบ้านก็อย่างมีผู้รู้หูขเขา่อแต่พวกเหานี้ส่วนมากศึกดูกระพระยอมมีความรู้น้อยพวกที่ศึกออกไปแล้วก็มีความรู้ทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับความนับถือเท่าที่ควรแต่ชาวบ้านมากรเดินทำมาอะไรให้ฟังเราไม่ค่อยใจยอมรับเฮ้ยขันดูหลายอย่างตึงไปบวดผ่า บ, บ้าในศาสนาฮินดูนั้นเขามีทั้งฝ่ายคารวาห์แทงฝ่ายนักบวชมีความรู้เท่าทันพอๆกันรักษา ศาสนาหินหลวงเขาไว้เหมือนนักบวชถูกทําร้ายจากชาวฮิธจากชาวมุสลิมแต่ชาวบา้านก็ยังสามารถรักษาคําสอน ไ, ได้พวกเราชาวบ้านนั้นมีความรู้น้อยก็อาศัยแต่พระพระยากจะกลอกจะลวงยังไงก็ได้ดังในชาดกต่างๆเขียนไว้ในคำทีในใบลานอีสานบ้านเราเนี่ยดูๆแล้วมันจัง น, น่าสมเหตุสมผลพอสมควรบางอันไม่มีเหตุมีท้นอะไรก็มาสอนกันแต่ชาวบ้านก็เชื่อ พราะเชื่อมาตลอดเอาแต่สถานําหน้าแต่ไม่มีปัญญาในที่สุดพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อาศัยปัญญาไม่จะอาศัยอยู่เพียงแค่สถามันก็หมดไปพระพุทธเจ้ า, จาต้องการให้เรามีสถาแบบชนิดที่ว่าสถานิวิธามูละชาตาปฏิปิตาทันห้าสังหาลิมมาสเมเนวมเนวาพเมเนวเวเนวาเทเวเนวาเกนจิวาโลกาสเนิกสถามีคุณชาติอันเป็นรากอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วที่มั่นคงลมพัดไม่ห ว, วั่นไหว ไม่มีใครสามารถนำไปจากความแน่นอนในพระธรรมส ม, นเนมเนนาวาพระมเนนวาเทเวนวาเทวดาก็ดีมานก็ดีพอมก็ดีสมณนะพามเหล่าอื่นก็ดีเกณฑ์จิวาโลกะสมิมิใครๆในโลกก็ดีอสังหะทันหะอสังหะอะไร่ากไม่สามารถนำให้เคลื่อนจากพระธรรมได้แต่เราไม่มีศรัทธาชนิดนั้นศรัทธาล้มล้มแรงแรงไม่มีปัญญาประกอบเมื่อเขาเห็นสิ่งใดจะได้ประโยชน์ทางวัตถุเขาก็ไป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 แต่ก่อนพวกศาสนาฮินดูเขาไม่มีวัดนะเขายิ่กันทั่วไปก็จะกระจายชาวบ้านก็รักษาไว้ต่อมาเขาก็จัดมีวัดอาศัยรูปแบบจากทางพระพุทธศาสนาของเรายังไม่พอระเบียบวิธีกรรทางพุทธศาสนาเขาก็นํามาใช้ในศาสนาฮินดูของเขาหลังจากนั้นเขายังจัดระบบระเบียบชีวิตขึ้นมาเป็นพวกอาสมสีต่างแต่ตอนเล็กๆ ก, กับเกว่าพอมอมจัน อยู่ตามความอุปธรรมเรียงดูของพ่อแม่เชื่อฟังคําตังสอนของพ่อแม่ศึกษาเล่าเรียนต่อมาเมื่อมีลูกมีพวมลูเมียเขาเคยว่กาข้ารือหาเป็นผู้ครองเรีอนต้องอยู่ในหลักธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นต่อมาก็ถึงวันณับประวัติอายุแก่ควรปลดกระสีแล้วก่อนเลิกไปอยู่ในป่าศึกษาค้นคิดเรื่องจิตเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเมื่อเข้าใจดีแล้วตอนแก่แล้วก็เป็นสัญญาสีเที่ยว แก่ของสองตะเกียงสแสดงทาชี้ทางออกบอกทางไปให้แก่ลูกแก่ลักนี่ก็มีอย่างนี้ทั้งโยมทั้งพระแต่พวกเราเนี่คนแก่จะเป็นสัญญาสีเป็นผู้ชี้บอกช่องทางก็ไม่ได้ถูกท้อนงอกันหมดในสมัยปัจจุบันเพราะคนแก่เหล่านั้นก็ไม่มีความรู้จริงจริงจัง พิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ค่อยเอามาใช้เกี่ยวกับวิถีทางการดําเนินชีวิตวพวกพราหมณ์เขาเริ่มตั้งแต่เกิดจนไปถึงตายจนไปถึงแจกข้าวทําบุญอุทิศถ้เาเอาพิธีกรรม ท, ทางศาสนาของเขามาใช้พวกเราทุกวันนี้ก็ เ, เอาของพาราหมณ์มาใช้พาราหมณ์เขาให้คนแก่สัญญาสีผู้แจกของตัวฟองตะเกียงอย่างลูกเต่าจะแต่งงานกันมองคลนสมรสเขาก็เอาผู้เท่าเหล่านั้นมาเป็นพิธีกรรมมาเป็นผู้บอกผู้สอนวิถีทางดําเนินชีวิตพวกเราก็ไปเอามาจากพาราหมณ์ แต่ไม่ได้เอาหลักทำเอาหลักของขี่เล่าขี้ยามาสอนอย่างในภาคอีสานเวลาจะแต่งงานกันอ้าวเสียเงินเสียทองข่าวงวข า, วขาวควายคนมาเยอะๆตอนเช้ามากระตั้งพาควันบายสีผู้แขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เอาผู้เท่าม า, อมาบอกมาสอนคือเอามาจากแบบศาสนาพราหมณ์ดีกว่าสัญญาสี แต่ผู้เท่าเราไม่ได้เอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาคาราวะสธรรมสีอย่างไรสมรชีวิตธรรมสีประการชีวิตร่วมกันสมนสมําเสมอพบกันทุกชาติพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรไม่มีคืนตอนผู้เท่าก็เดินแปลเมาแปลมาแล้วตีนตบตะกะแตนมาแล้วมาถึงพาขวัญ ซี่สี่มือหนี้มือสั้นวันนี้แม่นวันดีวันเสถีอรมุดตะโศกโตกอันนี้มันโตกไม่จันทร์คันอันนี้แม่นคันไม่แก้วโตกแตงแล้วย่อมาหักอูุอากสพาขวัญพูดแล้วปานเปิดหาดมเอาคนขี้เล่าผู้เท่าขี่เมาเมื่อซ้อนลูกส้อนหล้านนี่มันอะไรกันมันเริ่มทําลายวิถีชีวิตเขาตั้งแต่แรกเลยการที่แต่งงานเรื่องเขาเขาตั้งไกลที่จะร่วมชีวิตกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็น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 ตกออกตกใจเป็นทุกมาแทนที่จะไปฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเก็ะไปหาซื้อเทียนยาวๆเอาน้ําใส่กระติกไปรดน้ํำมนต์ให้พระสวดเอาขี้เทียนไม่อละมีเพียงเท่านั้นมันจะแก้อะไรได้มันก็เหมือนผู้เท่าเป่าให้เด็กน้อยล้มเท่านั้นอมมาดูมาดูคนโบหัวมันเจ็บเพียงดีแล้วบาลาคุบกบเศร้าไม่ล็มีเพียงเท่านั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้เราเอาแต่เรื่องของฮินดูเข้ามาใช้พระผู้ได้จ่าวแฮนสอน เกิดมาท่านทำลายล้างเรื่องการลดน้ำมนผลน้ำมนันชาวอินเดียเขาถือว่าน้ำคงคาทั้งแม่น้ำเนี่ยเป็นน้ำมุกน้ำมนใหญ่ไม่ต้องสวดอะไรเลยสุนักขัดตังสุบังกําลังสุ ป, ปราพาทางไม่ต้องมีใครมาทํำเจาะแจ๊ะให้ไปถึงแล้วก็พนมมือไหว้แม่น้ำคงคาขอขามาพระแม่คงคาพนัน ล, ลายบันทมศีลหนกจากนั้นเขาก็เอามือปอบน้ําขึ้นมาลดหัวหลังจากนั้นเขาก็ลงไปอาบไปลอยตายแล้วเขาก็หามาทิ้งตรงนั้นเขาถือว่าน้ำมนศักดิ์สิทธิ์ลอยไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกกับถามว่า น้ำเหล่านั้นไม่สามารถจะล้างความชั่วออกจากแกได้แต่มันสามารถล้างกรรมล้างเวรสะเดาะ ข, อขอ้อสะเดาะซวยออกได้มันก็ต้องล้างบุญของเจ้าออกไปด้วยทำบาปตอนเช้าว่าล้างบาปออกไปได้ตอนเย็นทำบุญตอนเชา้าบุญตอนเย็นมาอาบ น, น้ำเนี่หายไปน้ากันด้อแต่าห่าว่าน้ํานี้มันจะดีจะงามจะทําไหนหายขอ้อหายโซหายหลอกหายปเตากุาุงหอยปูปลามันนอนแช่อยู่ในนี่มันก็คงขึน้นสวรรค์หมดแล้วมันก็ยังอยู่ในนั้นในที่สุดคนฉลาดเขาเข้าใจ เอาหลังการดูเลยผ้านาทีร่วมเรียงเคียงม้อนจะไปค้าไปค้าย ไ, ไปสอบไปอะไรต่างๆก็ดูกันจะยกบานยกช่องวันนั้นวันนี้เสาเอกเสาโทวางศิลาหลอกศิลาเลิก อ, อะไรต่างๆเป็นเรื่องของขามทั้งนั้นผู้ดีเจ้าของเราบอกว่า น, นักคัดตังปริมาณในตั้งอัฐโถพลังประจคกราเลิกดียามดีมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วท่านว่ายอย่างนี้เลิกดียามดีเหมือนได้คิดดีพูดดีทําดีมันมีอยู่ในตัวมัน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 ตรนี้จะต้องหมายถึงสังคมสงเคฆ์ไม่ได้หมายเพียงสังคมสังคมสงเคฆ์ทางด้านวัตถุแต่หมายถึงสังคมสงเคฆ์ทางด้านจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูงมากในประเทศอินเดียได้หมดไปสิ่งไปเพราะพระพุทธศาสนาประชาชนนักบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมการเจรจาคนมามากๆมาอบรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสังสอนหลับําคำสังสอนมันไม่มีมันน้อยลงน้อยลง สมัยพระพุทธเจ้ายัางมีอยู่ท่านซ้อนให้พากันจาริกไปที่อภกธรรมจราระหะพิฆเวจาริกังพรมจาริยังประกาเซธาปภุชนะหิตายปะปะภุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษยานังดูดีว่ามิจึงหลายเถรทั้งหลายจงจาริกไปประกาศพรมจันเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่มูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระรุ่นแรกบุกเบิกมาอย่างดีคนเคารพนับถือบูชามากพอรุ่นหลังๆนี่นอนแผ่พระกวาไม่ช่วยกันเผยแผ่ คนเขานับถือซะแล้วก็เลยมากินมูลมังสังขยานอกจากนั้นก็เอาคําสอนมาดัดแปลงปลอมปนคํำสอนใหม่ให้มันถูกอกถูกใจคนจะแต่ลังไลเอาสิ่งเอาของเอาเงินเอาทองมาให้มากๆทีนี้พอถึงเวลาพุทธเจ้าปรินิพานไปประมาณร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีวุ่นวายที่สุดเพราะเข้ามาบวชเพื่อลาบสักการะไม่มีใครสนใจที่จะทารานังทรงไว้สึ่งพระธรรมวีในสันตานางังสืบต่อด้วยความบริสุทธิ์พุดพองปริกิตตะเพะ วิทารลังมีการเรียรายเผยแพร่ให้ภัยศาลเกาะไม่ค่อยมีจนเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเสื่อมทมสังกายนาครั้งที่สามเกิดขึ้นพระเจ้าอาโศกมหาราชได้รวบรวมอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวสนับสนุนพระมกคลีบุตรติสาเพระทำสังกายนาเมื่อสังกายนาเสร็จก็คิดว่าต่อไปถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเองไม่มีทารนังไม่มีสันตานังไม่มีวิทารลังไม่มีการสืบต่อไม่มีการดำรงไว้ไม่มีการเผยแพร่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 เผยแผ่ เ, เรื่ออะไรเรื่ออะไราศาสนาก็ได้มารวมกันที่อโศการามของพระเจ้าอาโศกประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดว่าอาหารประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดพร้อมกันว่าข้าพระเจ้าจะท่องเที่ยวไปอาหางโสว่าเจ้าริารษมิขามาคามังปูราปุรังนัมสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัตตะสุธรรมตังท่าตุจิรังสตังธรรมโมโลกมหิสมมารสปุทธศาสสนัง ข้าน้อยครับเจ้าทางร้ายจะพากันท่องเที่ยวจาริกไปจากหมูบหม่บ้านสู่หมู่บ้านจากนิคมสู่นิคมปูราปูรังจากนครจากเมืองสูง่เมืองนัมัสโมนสัมม า, ามสัมพุทธสันอบน้อมนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอษ ส, อสะสุธรรมตังจะประกาศพระสธรรมอันดีงามของพระศาสดาให้กึดกล้อง ทาตุเจรังสตังธรมโมโลกามิสมมาสพุทธศาสนาเพื่อการประดิสถานมั่นคงของพระพุทธศาสนาพระศิธรรมคู่โลกนี้ตลอดกาล น, นั้นขัานเหล่านั้นก็ได้เดินไปจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากทินทุ่ ง, งเครื่องเมืองกันดานบัตลึกลับสององค์ถึงประเทศไทยโซณอุตรดประกอถึงประเทศไทยแล้วก็เผยแผ่ที่อะไรประเทศไทยถือผีถือสร้างทิฐิมากที่นี่มี หลักฐานปรากฏว่าท่านทั้งสองได้แสดงธรรมมากที่สุดก็เรื่องพรมมาชาละสูตรพมมาชาลสูตรไดปเปิดดูให้แต่ปีตรงเล่มที่กล่าวสูตรแหล่ของพระสูตรทั้งหลายในทีคัน้นในกายว่าด้วยเรื่องทิฏฐิความเห็นผิด62ประการทําลายทิฏฐิเหล่านั้นประเทศไทยก็เลยล้างทิฏฐิจากจิตจ า, จ, จากใจถือปีสางคางลายผีพ่อพี่แม่พี่เย้าพีเรือนเทวดาฟ้าดินที่เคยนับถือมาจาก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 ลางแห่งความเสื่อมในทางพระพุทธศาสนานั้นในประเทศอินเดียนั้นมันเป็นไปนได้มากคือการไม่เคลื่อนไหวทางด้านสังคมไม่เอาสังคมเลยหนังรับผููรับตาอยู่คนเดียวขอให้คนอื่นมาหาเราเราจะได้อะไรบงมากสร้างสรรคบางแห่งมีเงินมีทองมากๆไม่สามารถที่จะเพผยแพร่ที่ไรพระพุทธศาสนาเอาไปสร้างไปสรรน์พระพุทธรูปอย่างอื่นต่อมามันก็หักมันก็พังไม่สามารถทารนางังดำลงไว้สิงส่งศาสนา ประเทศทิเบตมีวัดวาอาราบใหญ่โตอารามโปตะละมุงด้วยทองคํากับเบื้องเคลือบทองคําเสาหุ้มทองคํำน้าเท่ากับนังช่างอารามโปตะละบรรจุคนได้เป็นเมืนินบมินทองคําไม่รู้นักกี่หมืน่นกี่พันกี่แสนกิโลเติมมาจากศรัทธาแต่ไม่สามารถเอาทองคําเงินคำํกำกาแกวแ้วเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือแก่การเผยแพ่พุทธธรรมได้ในที่สุดประเทศทิเบตก็ล่มละลายด้วยอํานาจลัทธิของาศาสนาอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นการเมืองอื่ น, นหมดไป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 ที่วัดนั้นเป็นที่รวมอยู่ของหว่านยาทานนางยาสมุนไพรพระสงฆ์องคเจ้าโปรกเอาไว้มีผู้ศึกษาในด้านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องอะไรต่างๆลองวัดกันทั้งนั้นต่างแต่ตะคาบกัดแมงปองต่อยอะไรต่างๆเจ็บปวดลองวัดเพราวัดนั้นมีโยมมียาพูดได้ว่าวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นสารสถิตจุติธรรมผัวเมียทะเลาะ ก, กันสิบหัวขาวสาวหัวงอกตกลงกันไม่ได้ว่าไม่ยาบอกไม่ยาว่าไม่ฟัง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 อย่าเลยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์ในการทะเลาะเบาแวงกันไม่เกินร้อยปีก็จะโบกมืออำลาญยากมิตรวงอาทิตศตูขู่เวนนตายเขาลืมแห่งชีวิตไป อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละก็ตกลงกันหน่ถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวลูกล้านจะทะเลาะกันใหม่ต่อไปเป็นตรงขามล้างโคตรล้างเผาพันกันเอาเชือกมาขึงให้มันตรงปันกันให้เสมอเดียวกับเพื่อนลูกเอ้ยอยากให้นักเพิ่อนผลเบาผีบาปสินทาเจ้าแล้วลูกล้านจะทะเลาะกันเออเมนความญาครูแมนความญาปูญาตาญาพอครูบาอาจารย์ก็เอาเชือกมาขึงตกลงกันหน่วัดเป็นสารสถิตยุติธรรมถ้าสร้งองค์เจ้าเป็นผู้ปีปากสาให้ความยุติธรรมแต่ไม่โบราณเนอะ ไม่ได้พูดถึงสมัยนี้นั่นคือการเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดมันผิดกับอินเดียเราจึงมีพุทธศาสนามาตลอดวัดเป็นโรงแรมไปค้าไปค้ายจูงัวไปค้าจูงมาไปาค้ายขี่เกวียนขี่เรืออะไรมานอนวัดขับมากินข่าววัดนอนสัญลักลางคืนมามาขอข้าวขอปลาในบ้านกินกลางวันตอนเช้ากินข่าววัดวัดนั้นเป็นโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินเชา่านอนอาหารก็กินฟรีต่อมาวัด เป็นค่างพัสดุถ้วยถ้ว โ, โอชามพกกระ บ, บ, กบอกซักกรเมื่อจอบมีดผ้ากระทาควา้าของส่วนรวมทําบุญแต่ละครัง้งมารวมกันอยู่ในวัดจะมีงานมีการจะลงแขกนาวานันไปยืมมากระจกวัดไปยืมผ้ายืมเม็ดยืมถ้วยถ้ โ, โอชามขึ้นบานเกา่าลงบ้านไม่อะไรต่างๆขึ้นบานไม่ลงบ้านเกา่าเอาเสาลงล้มอะไรไปเอาที่วัดทางนั้นวัดเป็นทางพัสดุวัดจึงเป็นสถานที่สังคมสงเคราะห์อยู่ตลอดการแล้ว ในสังคมโดยเฉพะาะภาคอีสานเหตุสิบสองของสิบสี่เอาบุญกันสิบสองเดือนสิ่งที่ได้มาก็มารวมที่วัดพิถพนพิถันเข่าขึ้นนาปลาขึ้นบาดเอาข่าวมารวมกันถวายวัดเผื่อวัดจะได้ดขายเอาไว้บำรุงเป็นเชิงความสงเคราะห์ต่อไปเรียกว่าเอิ่นว่าบุญคูณล้านบุญพระท่ายเขา่เาเรือนสามมาห้อมเต่าเอาบุญบัน่นเข่าจีเอาข้าวมารวมกันข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบาดอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าวัดนั้นจะกว่าเสยอกแต่วัดนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนรวมลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเราเขื่อนไว้ทั้งด้านสังคมตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่พลาอานาหมายตั้งแต่ความยุติธรรมในสังคมความส ง, งบร่มเย็นตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆมั่นอยู่ที่วัดนอกอย่างนั้นวัดยังเป็นสถานมโหรสพ บ, บันเทิงทางธรรม เอาบุญทีจึงมีหมอร้องหมอลำอยู่ในวัดคนก็มาฟังกันในวัดดูหนังตะลุงในวัดดูลิเกในวัดดูโหราในวัดเลวไม่ใช่ว่าเขาเล่นกันแบบทําลายศิลธรรมลามกตกเป็ดอย่างทุกวันนี้เขาเอาบุญอะไรเขาก็ล้ำกันเรื่องบุญอันนั้นใครเป็นคนสร้างกอไดริสมอย่างไรในประวัติเป็นมาอย่างไรบุญกระถิ่นทำมาอย่างไรพระเวททำมาอย่างไรบุญเขาสาเขาประดับดินสระธาเป็นมาอย่างไรไดีิสมงอย่างไรพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนหมอลำเขาถามกัน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 ทางวิญญาณ น, นั้นได้ออกไปจากวัดโลกมหาลสบทางกีเลเข้ามาแทนหนุกน้อยหุ่มน้อยชวบชวาเต็มตะกยงโคงบังยกขายกโยกกับย้ายกระโผกโยกเอวยกซ้ายใหญ่ขวาอยู่ตรงนั้นหนุกน้อยหอ่มน้อยเปิดเห็นเกงในแล้วออกมาเล่นอยู่ในวดัดพระสองฆ์องค์เจากก้าจิตแตกใจเพผู้หญิงชายหนุ่มทั้งหลาย ที่แตกใจเพสาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั่มดูเรื่องดูเล่าในนังในนะครมันเล่นได้ว่าโอ้ยเข้ามาทํำลายถึงในห้องนอนมีทีวีมีวีดีโอลามกโจกเปรตในวัดในว่า ม, มันมีขึ้นมันก็ยิ่งรุมสัตดำพุทธศาสนาให้สูนสิ้นไปเพราะเหตุ น, นั้นเราจะต้องมาคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชี่ยวกากนี้เราจะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องมาทําบุรณาการซับบิเมต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 มันร้องแล้วก็แทงหัวสั่นหัวมันขอจะขาดคนไปดูเต็มเราก็มาร้องใหม่ก็ได้พ e si si e ่อตูสซเจู้ซี้ไปวัดได้ข่อยสิไปน้าจู้ได้บ้าว่ามันไปใหม่ได้ไหมเรามาหัดทําร้องเพลงใหม่กันไหมทางที่นั้งทําก็ทําได้ผนมมือขึ้นเราไม่กํากับปัน่นลองถามพ่อทูสซีผนมมือขึ้นห น, น่อยซิจู้ซี้ไปวัดไดจะไปทปําบุญด้วยกับ ว, ว่ากันไปได้ไหมอย่างนี้เลยว่าซับบิเมท เอาความบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นความไม่ดีเราไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักเลือกอปปะปามาโตโอุโฮโหะเทหิการห้าฮิปันติโตเนีบันดิตย่อมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองนันประโยชน์ในความเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่จะต้องมาขัดมาแย้งกันมันเกิดปัญหานี่เป็นอย่างนี้ในประเทศอินเดียเขาไม่เคยเคลื่อนไหวทางสังคมวัดวาอารามพศหนึ่งพัน็ด้อยสี่บสามพุทธศาสนาก็โค่นล้มสลายลงไปจากอินเดีย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 ได้เกิดขึ้นมาแล้วให้เราเห็นอันเป็นบ้านเกิดเมืองนองของพุทธเจ้ายังความประหลาดใจอันใหญ่หลวงให้เกิดแก่นักประวัติศาสตร์มาแล้วเหตุใดศาสนาพุทธที่เกิดในประเทศอินเดียมีประชากรนับถือติดต่อกันมาถึงสิบเจ็ดศตวรรษแต่แล้วก็ไม่ปรากฏแม้เพียงแต่ในความฝันของชาวอินเดียในยุคต่อมาเลยชาวอินเดียได้มองพุทธศาสนาอย่างคนแปลกหนะ้าสาเหตุนั้นมีสิ่งที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาถึงประเทศไทยของเราก่อนที่จะสายเกินไป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 ด้วยสติปัญญ า, าศาสนารพราหมู้ที่ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาถึงพุทธเขาก็ยังนับถึงเขาโจูเพราะเหตุ น, นั้นการที่าศาสนาพุทธจเจริญขึ้นจึงไม่สามารถทําให้าศาสนารพราหมูหมดไปสิ้นไปในอินเดียในสมัยหลังพุทธเจ้าพุทธการแม้จะมีพระมหากษัตริย์เส้นพระเจ้าอาโศกเกิดขึ้นถือพุทธศาสนาจนขนาดว่าบูชาพุทธศาสนาสดเก้าสดเสียนแต่ก็คงรักษาแนวของพระพุทธเจ้าของเราไว้อย่างมั่นคงคือไม่เบียดเบียนศาสนาอื่น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 เพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่เคยนับถือสองศาสนานี้มาก่อนเลยเมื่อถูกข้อ ง, งําจากสองศาสนานี้ทางการเมืองศาสนาเดิมวัฒนธรรมเดิมก็ถูกถอนรากถอนโคนถ่าศาสนาเหล่านี้เข้าไปแต่พุทธศาสนานั้นเมื่อแพร่เข้าไปประเทศที่เขาไม่ได้นับถือมาก่อนก็อลุมอร่วยปลองดองกับศาสนาท้องถิ่นเกลือกั่วผสมผสานกันไปได้จึงเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธติดตั้งอยู่ไม่ได้นานอีกแบบนะ อีประการหนึ่งหลักการในทางพุทธศาสนาเองก็ให้เสรีภาพแก่บุคคลมิได้มีการเรียกร้องความพักดีพรีชีวิตพรีชีวิตด้วยศรัทธาเหมือนศาสนาอื่นยอมตายฆ่ากันได้เป็นสงครามศาสนาพุทธศาสานาไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนั้นแม้จะปกป้องาศาสนาของตนเองก็ไม่อยูรุนแรงไม่มากพอเหมือนกับาศาสนาที่เราแต่เรื่องพักดีพรีชีวิตความเสื่อมของคณะสงฆ์อีกอันหนึ่ง ซึ่งแตกแยกออกเป็นลา้หล า, หล า, าหมูล้ายก๊ก์ล้ายเผ่าล้ายนิกายนับถือกันเป็นมูเป็นคณะแล้วก็วิวาดกันในสมัยปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดในประเทศไทยเราหมู่การถือนิกายนั้นอ่อนตัวลงพอจะร่วมกันได้ร่วมเป็นร่วมตายกันเมื่อเวลาเกินภัยคุกคามศาสนาแต่ไม่สามารถจะร่วมสังฆกรรมกันได้เป็นนาน า, นาสังหวดัดข้อนี้ก็ยังไม่รุนแรงพอแต่จะมีอีกเดี๋ยวนี้กําลังลืมพระพุทธเจ้า พูดอะไรเอาแต่อาจารย์อาจารย์บูชาอาจารย์นน่นอาจารย์นี่พูดมาเรื่องอะไรก็ยกแต่เรื่องอาจารย์แฝมไม่มีใครยกพระพุทธเจ้ามาเชิดชูบูชากันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขานับถือศาัทานะอาจารย์กันหมดแลว้วลืมศรัทานะของพระพุทธเจา้าต่อไปจะมีอาจารย์สมภพ พ, พูดอะไรอาจารย์สมภ พ, พขออภัยทีขอถีอย่าได้มาเชิดชูบูชากันมากนักหนาขอให้คิดถึงพระพุทธเจา้า น, น, น, น, น, น, น, นู่นนู่นนู่นไม่ใช่ที่จตกอยู่ใน อำนาจศาสนาอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายอยู่ไม่เกินร้อยปีก็จกตายศาสนาผู้จะต้องยังอยู่ต่อไปกับหมู่คณะสองขอให้คํหนึ่งอุปธรรมคําจนหมู่คณะสองอย่าไปลงบูชาแต่หมู่คนกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งอย่างเดียวคณะนั้นอ้วนท้วนสมบูนคณะสองส่วนใหญ่หนึ่งในรัทธะสูบสมลงอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความตายในศาสนาได้ง่ายขึ้น ต่อมาหลังสมัยพระเจ้าอาโศกธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งเดิมเป็นแนวปฏิบัติของชีวิตแท้ๆได้ถูกบรรดาขณาจารย์นิกายต่างๆที่แยกออกมามหายานหินญาณอั ธ, ธิบายทำให้เป็นของยากขึ้นซึ่งทาให้เกิดอภิปรัชยามากขึ้นสำหรับทุ่มเทยงปะเทืองปัญญาตีโบหารกันมากกว่าสำหรับที่จะใช้ปฏิบัติได้จริงๆในชีวิตปัจจุบัน พุทธาศาสนาจึงกลายเป็นของยากสําหรับสามัญชนไปกลายเป็นสมบัติของนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งในกําแพงวัดชาวบ้านทั่วไปไม่รู้ว่าพุทธาศาสนาคืออะไรความจริงพุทธาศาสนาไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องทําลายความเห็นแก่ตัวเท่านั้นในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลพระอราหันต์อ่านหนังสือไม่ได้ดอกตัวหนังสือเท่ากําปั่นกอไก่หาผู้พานผู้เขาน่อ่านไม่ได้แต่สามารถชนแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกเดี๋ยวนี้จะต้องมาเยียนอภิทบอภิธรรมกันจบ เต่าปรเเิเสตเป็นพระหาบัณฑิษฐซะก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมหัวทื่อๆอย่างอตาตมาจะไปเรียนได้อย่างไรตายอีกห้าแสนชาก็เรียนไม่จบอภิธรรมขอหัวไม่ดีแต่ถ้าให้ปฏิบัติธรรมสิ่งสมาธิ ป, ปัญญาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหูเมื่อชิงหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหูตามภาษาลาวบ้านเฮาหดดรือใดโพดปึกปันได้ก็เหตุใ ด, ด้นี่มันเป็นอย่างนั้น ในสมัยราชวงศ์คุ ป, ปะตะพวกพาเมื่อเห็นว่าเอาชนะพุทธศาสนาทางตรงไม่ได้ก็ใช้ทางอ้อมคือใช้วิธีกลืนอย่างสุขุมเช่นอ่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นนารายอาว atan ผู้นับถือพุทธก็คือฮินดูผู้นับถือฮินดูก็คือพุทธไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะนับถือปณารายอยู่แล้ว เห็นไหมเดี๋ยวนี้าศาสนาบางาศาสนาเข้ามาคุกคามในประเทศไทยว่าพุทธเจ้าเป็นปกาศกทรงมาเคลียพื้นที่ประกาศธรรมะไว้ก่อนตอนหลังมาจึงทรงพระาศาสดาองค์ใหม่ม า, มาเห็นไหมพวกเราจะได้นหลงนี่เขาเอาตัวอย่างเรียนแบบจากาศาสนาพราหมสังฆราจารย์ที่เขาเขียนเรื่องพุทธาวาตารบุตต้าอินคร์เนชัน่นและนี้เรากําลังหลงแต่เบาว่าพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าส่งมา พระจาาเขาส่งมาจากสวรรค์มาเป็นประกาศกมาก่อมาเคลียพื้นที่ต่อมากวิโซทะเยคอยทาพญ เ, เดอ้อว่าสันระวังให้ดีนะนั่นแหละเขากำลังกลืนเขากำลังกลืนโดยเราไม่รู้สึกตัวคัมภีเรื่องนาลายมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี้ทำให้จำนวนชาวพุทธนับวันที่มีแต่ลดน้อยลงในประเทศอินเดียแต่ศาสนาฮินดูนับวันจะเพิ่มมากขึ้นมากนเพียงเท่านี้ยังไม่พอ